ในแหล่งที่มาของความรู้เนี่ยก็มาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกับมาที่มาของไฟมาจากการหมุนของไดนามูไฟฟ้ามาจากการหมุนของการเคลื่อนไหวของน้ํากระแสน้ํามาจากการเคลื่อนไหวของไฟเช่นเอาไฟมาตุมน้ำเอาความดันของน้ํามาหมุนไดนามนี่นะหรือเอาแรงของอ นิวเคลียร์มาหมุนเครื่องหมุนถ้ามันมีพลังขึ้นมาพอมันมีพลังตัวนี้มันก็จะมาทำแสงสว่างหรือมาใช้ได้ทุกอย่างเป็นพลังทั้งหมดเป็นเ n e น g y ชั้นใดก็ดีในตัวของเรามีการหมุนหลายระดับใช่ไหมหมุนของอะไรบ้างหมุนของธาตุดินหมุนของธาตุน้ำหมุนของธาตุลมหมุนของธาตุไฟทุกธาตุหมุนทำแรงจึงหมุน เพราะว่ามันเป็นกฎของอ น, นิจจังกฎของมันนั้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคือกฎของอ น, นิจจังและส่วนใหญ่ทําไมมันจึงหมุนเพราะหมุนจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําหมุนจากที่สูงไปสู่ที่ต่าหมุนจากที่เกิดไปสู่ที่ดับหมุนจากที่เจริญไปสู่ที่เสือ่อมเห็นไหมอันนี้มันหมุนตลอะอันนี้คือกฎของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะมีการหมุน ตาของเราเนี่ยมันจะลืมอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้เพราะอะไรก็พับทำให้พับเลยไปไงมันก็ทุกใช่ไหมการหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยทำให้เราบําบัดทุกถ้ามันลืมมันไม่หลับก็ทุกหลับแล้วก็ไม่ลืมก็ทุกมันหลับหลับลืมลืมมันก็บําบัดทุกได้ในโดยสัญชตาตญาณนั่นนะอันนี้คือกฎของมันเสร็จแล้วเมื่อเรามันมี การหมุนของท่าสี่ดินน้ำลงไฟเราก็เอาตัวการที่มันเคลื่อนมันไหวเป็นมอนิเตอร์เนี่ยเอามาหมุนให้เกิดตัวรู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาฝึกตัวรู้ตัวนี้การหมุนการเปลี่ยนแปลงการเสี่ยมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เกิดตัวรู้ไหมไม่เกิดเป็นสันชาต่ยานเกิดมันจไเกิดไปทงรู้ผิดรู้ที่ไม่ถูก เช่นรู้ในการจะห่าสัตว์รู้วิธีการที่จะขโมยช่อโกก็รู้เหมือนกันรู้ในการที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองรู้วิธีการที่จะพูดในทางถูกให้มันผิดในทางผิดให้มันถูกรู้ในการที่จะสนุกสนานรู้ลักษณะรู้ผิดเพราะรู้เวิธีทผิดปกติหรือผิดศีลใช่ไหมจะรู้ในถูกเป็นไงรู้ในทางถูกไหมเพราะว่า มันจะให้เกิดการดำรงอยู่ได้ไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันเนี่ยรู้ในทางที่ถูกแล้วทีนี้มันรู้ตัวเนี่ยรู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีรู้ในตัวเราเนี่นะรู้ผิดก็เป็นลักษณะเบียดเบียนตัวเองแต่สิ่งเดียวนั้นว่ารู้ถูกรู้ผิดถ้ารู้ผิดมันก็ให้เกิดความสงบสบายความปลอดโปร่งความลงความ สว่างสวัยกับตัวเองนี่รู้ถูกรู้ผิดก็ให้เกิดความอึดอัดขัดเครื่องเจ็บปวดป่วยนะคนก็มีทั้งสบายและทั้งป่วยเห็นไหมนะคนที่ป่วยก็เพราะรู้ผิดไปทำในสิ่งที่ผิดมาถึงป่วยสะสมมานานแต่คนที่รู้ถูกมันก็สุขภาพดีพราะแก้ไขได้ดีเนี่ย เพราะนั้นพอเอามาใช้มันก็มีผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่รู้ผิดก็ไมก่าิชาทิฏฐินี่คือมายอดของความรู้ทางพุทธศาสนาเพราะนั้นเรามาปฏิบัติจะปฏิบัติยังงให้มันถูกก็สังเกตว่าเออมันจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินก็สบายไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่หอบไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ปั่นปวนไม่วุ่นวายนั่นรู้ถูกละ แต่ถ้ามันไปตรงกันข้ามเจ็บไปด้วยอืดหอบหอบหิวหนักเหนื่อยอืดอัดคับแคขนกดดันอืดอัดค่ะ f r u s t r a ในพวกนี้รู้อะไรรู้ผิดแล้วมันมีให้เห็นตลอดแต่เราจะเลือกมันเป็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเขทดลองมาท่านรู้ผิดท่านทรมานตัวเองเกือบตายพอท่านมาเปลี่ยนคลิกใจปับ๊บผมพอรู้ถูกปับ๊บท่านก็โอ้สว่างสวย แล้วก็นำเอาความรู้ที่ถูกก็้เกิดความสว่างคือความสงบความสุขความปีติความชื่นบานมาเผยแผ่มาแก้ไขความทุกข์ของมนุษยชาติสองพันสามพันปีแล้วก็ยังเวิร์กอยู่เาะ้ะนั้นในภาคปฏิบัติเราเอาง่ายๆเนี่ยในชีวิตของเราในอิเดียบทของเราเนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยมันรู้สึกยังไงหนักหนักขาปวดขามันถูกหรือมันผิด เราสมมุติว่ามันผิดกอ่ลักด่าของไต่ลักมันเป็นไปตามกดของไต่ลักนั่นแหถ้าปล่อยมันไปนตามกดนั้นมันผิดใช่ไหมที่เราจะแก้มันยังไงก็ต้องมีอ่าเอารู้ถูกเข้ามาแก่อุตัวรู้ถูกรู้ถูกคือมีสัมมาสติเข้ามาแก้ก็เข้าไปแก้ด้วยกันเปลี่ยนใช่ไหมพอเปลี่ยนปับ๊บอ่ามันสบายนี่รู้ถูกต้องแล้วอ่าพอนั่งไปสักปั๊บหนึ่งอ่ามันหนักขึ้นมาอีก นี่ไอการที่มันเกิดมันดับมันเสื่อมไปตามเนี่ยมันถูกคันผิดอยู่ตรงนั้นแต่เรามาสมมติเป็นภาษาว่าเอออันนี้ถูกอันนี้ผิดถ้าเป็นไปนทางเสื่อมไม่ดีสมมติว่ามันผิดถ้ามันเป็นทางดีสังสบายสมมุติว่าถูกเป็นสมมติพูดขึ้นมาแต่ความพิงกฎความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมีการพูดถูกพูดผิดทำถูกทำผิดเห็นถูกเห็นผิ ด, ดขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเป็นตัวบัญญัติ ทังนั้นการปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําให้เป็นเรื่องซับซ้อนนะทำให้เป็นเรื่อง ส, บ, ส, อนนองสาบายแต่คนด้วยการรู้ผิดมามากก็แปลงให้มันเป็นเรื่องอยากแต่คนรู้ถูกมากมากก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายได้การแต่สรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่เกินวิสัยที่เราจะเข้าถึงเราจะมาปรับความรู้ของเราให้มันถูกรู้ได้เหี้วามันถูกมันผิดท่านพูดเราเองนี่ไม่ใช่จริงนี่มันจะแย้งขึ้นมาอะไรใช่หม ท่านจะมีเกณฑ์เอาความจริงมาตัดสินไม่ใช่เป็นความถูกความผิดของใคนแต่เป็นความถูกความผิดของความจริงที่ปรากฏที่ทุกคนสัมผัสได้อยาง ก, กินอาหารไม่ดีปวดท้องเนี่ยเย้ตอนกินมันก็อร่อยถือว่ามันถูกใช่ไหมแต่พอกินไปแล้วนานๆมันปวดท้องถือว่ามันผิดบางอย่างต้นถูกปลายผิดบางอย่างต้นผิดปลายถูกบางอย่างต้นทั้งถูกเลย ปลายก็ถูกด้วยบางอย่างต้นก็ผิดปลายก็ผิดเนี่ยนี่ความรู้ของพุทธเจ้าท่านละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยบคายขนาดนั้นเราก็เอ้ผมก็ทำตั้งใจทำดีเนี่ยทำไมมันเสียละ่ะเอ้ผมก็พูดดีทำไมท่านเข้าใจผิดเ่ะเอ้ผมก็ทำดีทำไมท่านไม่ไม่ชอบผมไรทำนองนี้ไหมไม่ละเอียดตรงนั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องมีความแยบคาย อันนี้ไอ้คว่าความยบคายเนี่ยมันลึกซึ้งมากในภาษาตำรมามันเป็นถึสิบระดับแต่มาจมาไม่ได้หมดวันหลังจะอามาดูว่าไอ้โยนิสมนสิโยมนันโสมนสิการสิบ ป, ประการคืออะไรบางวันหลังเดี๋ยวให้ดูคือแยกแยกความละเอียดด้วยการสังเกตละเอียดเอาง่ายๆแค่นั่งอย่างเงี้ยตอนแรกมันสบายใช่ไหมแต่ปลายเหตุมันเป็นไงไม่สบายมันผิดแล้วแต่ต้นต้นมันถูกอะ แต่ไปไปมันผิดคือไม่สบายแต่ที่นี้จะทําให้มันถูกตลอดได้ไงต้นก็ถูกปลายก็ถูกทําไงนั่งลงไปมันสบายพอเห็นว่ามันเริ่มไม่สบายก็แก้ไขใช่ไหมแก้ไขในทางที่ถูกมันสบายขึ้นมาแต่ไอ้ความสบายความถูกความผิดมันก็เป็นกฎของอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงแต่ไอ้การที่เปลี่ยนกฎของอนิจจังถูกบ้างผิดบ้างให้มันเที่ยงให้มันดีขึ้นมาทําไงต้องมีตัวรู้ถูกขึ้นมาเรามาสร้างตัวรู้ถูก รู้ได้ไงมันรู้ถูกก็รู้แล้วมันสบายรู้มันสว่างรู้แล้วมันแจ้งรู้มันสดชื่นรู้มันไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมรู้ไม่เศร้าไม่หมองมันถูกถ้ารู้แล้วมันง่วงเหงาเศร้าซึมมันเศร้ามันหมองมันอึดอัดมันขับแค้นมันปฏิฆามันงูดกิดมันผิดแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าเราไม่มีการแก้ไขสิ่งเรียกว่าเรารู้ผิดแล้วใครจะไปด่าสินให้เราอะเราเองงลุงโทษเราเองใช่ไหม เนี่ยความรู้ของพุทธเจ้า ว, วิเศษมากๆเลยแต่ทําไมคนถึงเอาไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็เพราะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงตําหนิเรื่องสัมมิชายทิฐิเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วท่านก็ยกย่องเรื่องสัมมาทิฐิเป็นเรื่องวิเศษมากถึงเอามาเป็นมรรคองค์ที่หนึ่งปฐมมรรคของอริมรรคใองคแปดเลยสัมมาทิฐิสมาานาสพะทุเขาปัจจคุงผู้ใดก็ตามสมาธาน เห็นความเห็นที่ถูกเข้าใจที่ถูกผู้นั้นชื่อว่าสามารถขจัดทุกปัญหาทั้งหลายทั้งปมได้หมดเลยแต่มักองค์อื่นท่านไม่พูดถึงเลยนะแต่ท่านมักพูดถึงองค์นี้เลยสมาทิฏฐิสมมาธานาดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของเราต้องไม่ลืมในการที่แก้ไขเรื่องถูกเรืผิดด้วยการสังเกตตัวเองไม่ใช่เอาคําสอนคุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่คําสอนของ อันนี้มันเป็นคอมมอนเซนส์ทุกคนสัมผัสได้ใช่ไหมกินน้ํามันร้อนเผาปากเรามันถูกหรือมันผิดมันผิดทีนี้จะทํำไมกินแล้วมันไม่เผาปากเราก็ทําน้ําที่มันร้อนให้มันเย็นอ่าไปสมเย็นกินอาหารมันเผ็ดมันเผาท้องเราทําไงไมาให้มันเผ็ดก็ทําให้มันน้อยลงใช่ไหม เหมือนกันในสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งดีสิ่งชัว่วเราต้องทดสอบสัมผัสด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองแต่ความรู้ที่จะไปทําให้มาถูกมาผิดเราจําเป็นต้องฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากสาวกของพระพุทธเจ้าฟังจากท่านผู้รู้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านพิสูจน์มาแล้วไม่ใช่มาัม่วพูดกัน ท่านพิสูจน์มาแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อไม่เอามันก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นจะต้องผิดต้องบาปต้องทุกข์ต่อไปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ท้อถอยนะพระเทวทัตหรือใครก็ตามที่กล่าวหาท่านท่านก็ไม่ท้อถอยท่านก็ตามช่วยอย่างนั้นเป็นวิสัยของผู้รู้ท่านก็เกิดมีเมตตาขึ้นมา ท่านไม่ท้อถอยใครจะเอาไม่เอาท่านก็พยายามทำอย่างนั้นอันนี้เป็นวิสัยของท่านผู้ลูมีเมตตากรุณาตรงนั้นเพราะคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ฉลาดมาทุกคนไม่ได้ถูกมาทุกคนก็ต้องมาฝึกมาสอนกันใช่ดังนั้นให้สังเกตง่ายๆนั่งนิ่งๆ น, นานๆ น, น, นั่งตอนแรกมันสบายมันถูกใช่ไหนั่งนานๆทำไมผิดเพราะมันเป็นไปตามกธของมัน ที่ได้จะทํางานให้มันกฎอันนี้ไม่ทําร้ายเราก็รู้สึกตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนอีกบทใหม่าเปลี่ยนละไอ้ที่หนักหนักหนุ่มหนุหนหน่ม่กี้เป็นไงหายไปมันถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะมันสบายขึ้นมาเอา ท, ที่มันสบายเกินไปสบายจนหลับทั้งวันเลยแบบนั้นเป็นไงก็ไม่ได้อีกสบายเกินไปเท่านเรียกว่าสูดตรงอีก หรือทำให้อ่อมันต้องปวดอย่างเงี้แล้วมันยังไงเอามันให้มันไม่เที่ยงเนี่ยเอาให้มันตายไปเลยนั่งให้มันตายไปเลยโอดให้มันตายไปเลยอันนี้คือสูตรตกไปอีกถันพระพุทธเจ้าท่านบอกมันผิดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาต้องกําหนดต้องเรียนรู้ไม่ใช่ดันทุนลังต้องทดสอบต้องทดลองด้วยตัวเองนีเราโชคดีขนาดไหน ที่มาพบคำสอนพระพุทธเจา้าท่านสอนละเอียดละอ่อนขนาดนั้นแต่เราเข้าถึงแค่ไหนเราก็พูดได้แค่นั้นแล้วก็สัมผัสได้แค่นั้นเราต้องพิสูจน์คําสอนพุทธเจ้ามีทางเดียวต้องพิสูจน์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านไม่ให้เชื่อแต่ต้องพิสูจน์ด้วยสัมผัส ด, ด้วยตัวเองแล้วคนมันจะโง่ขนาดไหนเนี่ยนะมันก็สัมผัสความจริงทงนี้ได้หมดใช่ไหมอย่างท่านจุลาบรรโง่ขนาดที่ว่า คาถาแค่สี่บรรทัดท่องทั้งพันสาจจำไม่ได้เลยนะแต่เราไม่เป็นขนาดนั้นเราแค่ท่องแค่วันเดียวก็ได้แล้วนั้นก็ยังมีโอกาสเข้าถึงถามของท่านเห็นไหมอืมพอเราไม่งงถึงขนาดนั้น่ะเราแก้ไขได้รวดเร็วกว่านั้นอีกดังนั้นมันต้องมีช้อยต้องมีโอกาสที่จะทําได้แต่ว่าบางทีความเห็นถูกเห็นผิดไม่ได้แก้กันง่า ย, ายๆเพราะคนสั่งสมเรื่องทิฏฐิมานานเรื่องความผิดเห็นมานาน ไอการที่เราได้เกิดมาชาติแล้วชาติอีกทุกแล้วทุกอีกเนเพราะความเห็นผิดของเรานั่นแหละถ้าเราเห็นถูกโอปปอนี้เราไม่ได้มาเวียนว่ายแต่เกิดขณานี้แล้วนะมันบางทีมันเป็นชีวิตของเรานั่นแหละไอการที่เราเวียนว่ายแต่เกิดเพราะความเห็นผิดของเราเถ้าเราไปสําคัญมันหมายสิ่งที่ไม่มีดัวดุว่ามีดัดุลไปสําคัญมันหมายสิ่งว่าเป็นสุขเป็นทุกข์สำคัญสิ่งมันหมายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสําคัญมันหมายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สำคัญมันหมายในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวนตนเนี่ยความสําคัญผิดแล้วนี่มันถึงถ้าเราได้เกิดเวียนว่ายได้เกิดอยู่ทุกวันนี้เราโชคดีพอได้มาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เสร็จแล้วเรามีแต่เอามาพิพพจารณาตามสติปัญญาของเราแล้วเอาไปลงมือทําแก้ไข ι. บางทีวันเดียวมันเข้าถึงเลยนะในสมัยขั้งพุทธกาลใช่ไหมบางทีท่านแสดงธรรมแค่ไม่กี่ชัว่วโมงอย่างพา ห, หายิยะทารุจิยะทั้งยายสักุลบุตรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเอาบรรลุเป็นพระรหันเฉยเลย เพราะท่านเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันทีมีศรัทธาแต่เราบางทีปฏิบัติมาเป็นร้อยวันพันปียังไม่ไปไหนเลยเพราะมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแต่จะไปโทษใครนะดังนั้นในจุดนี้ต้องขยันปรปับนะเปลี่ยนแก้ไขนะแล้วการปรับเปลี่ยนแก้ไขนี้ให้เห็นความจริงให้รู้จักความจริงไม่ใช่มาตั้งทฤษฎีของตัวเองขึ้นมา ความจริงคืออะไรความจริงคืออย่างที่กล่าวแล้วอันไหนที่มันถูกต้องมันก็ให้เกิดความสุขความสงบความสบายอันไหนที่มันไม่ถูกต้องมันก็ให้เกิดความอื่นอาจเจ็บป่วยขับแข็งอึดอัดขัดเคืองทั้งกายทั้งใจง่ายง่ายมันไม่ยากเลยนะแต่บางอย่างเราทําผิดเพื่อที่จะให้มันถูกบางอย่างที่ทําให้ถูกเพื่อจะให้มันผิดก็มีเช่น พ่อแม่ตีลูกเนี่ยถามว่าลูกเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมแม่พ่อไม่ทําผิดไหมทําผิดอเ น, นีไยลูกมันเจ็บมันผิดแล้วอะทําไมบอกไม่ผิดนี่เขาเรียกว่าทำบางอย่างทําผิดเพื่อให้มันถูกรู้เจตนารู้เป้าหมายใช่ไหมเรากินพริกมันเผ็ดเผ็ดมันถูกเผ็ดนี่มันสบายหรือมไม่สบายไม่สบายแต่ทำไมเรากินพริกแะนี่ ต้องลึกและลึกให้ดีพิจารณาให้ลึกนะทำไมเรากินพริกอ่ะเพราะมันเป็นส่วนที่จะทำความถูกความผิดเนี่ยมันสมมุติเกินขึ้นถ้าอันไหนมันเกินไปถ้าเรียกว่ามันผิดอันไหนมันพอดีเรียกว่ามันถูกที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอ่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันพอดีอร่อยใช่ไหมแต่ถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันเกินพอดีเป็นไง เป็นโทษใช่ไหมไม่อร่อยใช่ไหมอันไหนก็ตามที่มันเกินพอดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็กลายเป็นดีแย่เป็นเป็นชั่วสิ่งที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะมันเกินพอดีการปฏิบัติธรรมที่พระเดชชนบอกให้ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือพอดีนะถ้ามันสบายเกินไปก็ผิดถ้ามันทุกข์เกินไปมันก็ผิด แต่ทั้งทุกทั้งสุขเอามาใช้มันพอดีมันกลายเป็นถูกเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านเชืเป็นทางสายกลางท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางคือชักก็คือทําให้มันพอดีที่เนี้ยเราไมา่ใช่ก็ว่าพอเพียงนะแต่ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไม่ได้พอเพียงแต่พอดีมันใช้ได้เพราะนั้นทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชัว่วถ้าใช้มันพอดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกถ้าใช้ไม่พอดีไม่สิ่งที่ดีก็เป็นที่ ผิดการตีลูกเพื่อการสั่งสอนแต่พอดีลูกมันก็ดีขึ้นมาถ้าตีแล้วดีอีกตีจนกระทั่งว่ามันโกรธโมโหมันเห็นพ่อแม่ไปไงผิดไปเลยอันนี้เกินพอดีใช่ไหมตีมนทุกวันลูกก็เข้าใจพ่อแม่ผิดว่าชังมันเกลียดมันมันเกินพอดีแต่ถ้าตีแล้วเกิดตีพอดีทำความเข้าใจให้มันเกิดปัญญามันก็จะเชื่อมันก็จะกลับตัวได้เข้าใจไหม รีกเกอมันกนระลวนผิดเกลือร่วมมันเค็มถ้ากินเกินไปท้องเราพังใช่ไหมแต่ถ้าหากใส่สัด ส, ส่วนได้พอดีมันกับอร่อยเพราะฉะนั้นการใช้สิ่งใช้ของทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงให้สร้างตัวรู้หรือสร้างตัวปัญญาให้ถูกต้องก่อนแล้วเราจะไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุที่เป็นสมมติแต่พอดีเราก็จะได้อานิสงส์เป็นความสุขความสบายทางกายทั้งใจ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปใช้สมมุติผิดไปใช้ปรมามัตดผิดเราก็ได้รับความเดือดร้อนตกนรกหมกใหม่ไปเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นใช่ไหมยอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นในครั้งพุทธการแต่คนไหนที่ทําถูกต้องพอดีกลายเป็นผูเน้เป็นอมตะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันมีผลอย่างเป็นนัยยะสําคัญ เราต้องศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเราอาตมาจึงทําเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทําเรื่องอื่นทําเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าโ ง, ง่งงง ง, งายไงยก็ไม่สนเพราะเรื่องนี้มันทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสบายทำให้เราเป็นสุขทั้งกายทั้งใจแในขณะเดียวกันเราก็เกิดความถ้าหากคนรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตัวเมตตากรุณา ท่านใช้คำว่าการุณาที่คุณถ้าเข้าสู่หลักพอดีมันจะมีคุณสมบัติสาประการหนึ่งรู้ถูกต้องสองสะอาดบริสุทธิ์สมเกิดความเอื้ออาทรคุณของพุทธเจ้าสามอย่างไม่อยากจะผู้ขาดเฉพาะว่าพุทธเจ้าเจ้าช่ยคุณของผู้รู้ที่แท้จริงมีอยู่สามอย่างหนึ่งทำอะไรใช้ปัญญาสองเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง สรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเพราะเราอยู่ร่วมกันร่วมโลกกันใครรู้จริงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสาประการนี้ถ้ารู้ไม่จริงคุณสมบัติสาประการนี้ไม่ปรากฏหรือปรากฏแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากจะใช้คําว่าคุณของพุทธเ้คุณของผู้รู้ใครก็ตามรู้ธรรมะที่ถูกต้องต้องคุณสาประการนี้ต้องปรากฏต้องเกิดปัญญาต้องนิยมใช้ชีวิตอย่างบริสรุทธิ์สะอาดเป็นหลัก แล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความถูกต้องด้วยการแนะนำด้วยการสั่งสอนด้วยการอบรมสามอย่างแค่เนี้นี่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าคนนั้นรู้ถูกหรือ ร, รู้ผิดนะดังนั้นธรรมะวามสองพระุจ้านั้นง่ายเปิดเผยแต่ทําไมมันกลายเป็นมืดเป็นดําเป็นสับสวนวุ่นวายเพราะเรายังรู้ยังไม่ถูก เพราะเรายังไม่รู้ความจริงไม่ตามความจริงก็เรียนรู้ความจริงจากพื้ น, นเนี่ยใช่ไหมทำงานนานหนักเหนื่อยสบายไหมไม่สบายก็พอนมาทํำปานกลางไม่ทําเลยมันก็ให้เกิดไม่ก็ให้เกิดความขี้เกียจก็ให้ไม่ได้การไม่ได้งานก็ให้เกิดความเอคาคฆาตก็ทํางานขึ้นมาบ้างทํางานมาหนักมันเหนื่อยมันก็พอนไว้มันสบายหลักพอดีใช่ไหมนั่งนานอย่างนี้นันง่งนานเกินไปถ้าให้หนักเหนื่อยเจ็บหนึบ ใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงไปให้มันสบายเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความรู้ท่านเรียกว่าภาวนาท่านเรียกว่าวิปัสสนาแต่ปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความรู้ท่านเรียกว่าเป็นตันหาอุบาทานเป็นอวิชชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักอะไรซับซ้อนเลยนะเป็นหลักที่ง่ายที่ชัดแต่ทําไมคนยังเข้าใจยากหนึ่งมันไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาไม่มากพอ สองขาดความเพียรหรือมีความเพียรแต่เป็นมิฉาวายามะไม่เป็นสัมมาวายามะอ่สามขาดสติในการสํารวจตรวจสอบสี่ขาดความตั้งใจขาดความมั่นคงในการพิจารห้าขาดการตรวจสอบขาดปัญญาขาดการตรวจสอบขาดการพิจารณาขาดการไข่ครวนขาดการเห็นที่ถูกต้องมันขาดองค์ประกอบหาประการเนี่ยนะ ดังน he? the ั้นเองในเรื่องเหล่านี้เอามาถึงไม่ท้อถอยในการที่จะทําเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นอาชีพไปแล้วตลอดชีวิตที่จะทํานีมันมีเรื่องนี้เพราะว่าเราไปหาเงินหาทองคดีเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีลูกมีเมียมีผัวเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีช่องมีรถมีนาเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายแต่ว่าอันไหนมัน ทาววไม่ทาววันวกันใช่ไหม αι? เราหาเงินทั้งปีทั้งชาติถามว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเราก็าไปสวรรค์นิพพานได้ได้ไหมไม่ได้เรามีผัวมีเ uu, มียที่ดีที่สุดไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไปมรรคผลนิพพานได้ไปได้ไหม αι? ไม่ได้เรามีสมบัติล้นฟ้าล้านแผ่นดินมันจะไปมรรคผลนิพพานทำไมไม่ได้เห็นไหมมันไปได้ส่วนเดียวคือส่วนกายแต่ส่วนใจมันไปไม่ได้แต่พอมาทําเรื่องจิตมาทําเรื่องของ ตัวรู้ที่ถูกต้องมันก็ไปสู่ความสุขความสบายโดยที่ต้องไม่ไปไม่ต้องลำบากกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปลำบากในเรื่องวัตถุแต่เราก็ไม่ถูกมีวัตถุพอใช้นะแต่ถ้าหากว่าเราอับจนทางด้านภูมิธรรมอับจนทางด้านจิตใจนอกจากจะมีวัตถุไม่พอใช้เป็นโฮมเลยแล้วจะตายด้วยนะใช่หมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งจุดนี้ท่านกิน ขอนขวายในเรื่องของการศึกษาด้านธรรมเป็นหลักด้าวัตถุมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบต้องเสื่อมตลอดแต่นา ม, มาทําถ้าทําถูกต้องมันเจริญตลอดนะดังนั้นให้เข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องนี้แล้วเราจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ฉันเห็นยังไงฉันเชื่อจะเอาของฉันอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปฏิบัติเพื่อร้อวันพันปีทุกทับตาย แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงทันทีนะสามารถพลิกจากโจนให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างเรื่ององคุลิมานเพราะฉะนั้นประการสำคัญมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ทันทีมันดีขึ้นทันทีแต่เปลี่ยนถูกเปลี่ยนผิดต้องใช้ปัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปจูงแขนให้ทำเลยท่าน อาคาตาลูดาธาคาตาปฏิปันาประโมคันติชาญิโนมะระพฒนาท่านบอกว่าเราดาธาคตเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนะเป็นผู้เปิดของที่ปิดให้ดูเป็นผู้งายของที่ค้อมให้ดูเป็นผู้ชูแสงสว่างในที่มืดให้ดูเท่านั้นนะแต่หน้าที่ของเธอต้องทําต้องปฏิบัติเอาเองหน้าที่ของท่านมีแค่นั้นนะดังนั้นในจุดนี้ก็เหมือนกันกะะนัลยาณมิตรของเราจะดีจะเก่งขนาดไหนนะก็มีหน้าที่ชี้ทางเท่านั้น แต่แต่หน้าที่ของเราปฏิปันาปโมกคติชายยิณุมราพนะต้องทําความเพียรด้วยตนเองด้วยพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเราแตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าหากความเพียร น, นั้นเป็นมิจฉาวายมะเป็นยิ่งเพียรไปก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเป็นสัมมาวมายมะยิ่งเพียรไปก็ยิ่งสบายเรดังนั้นตัวมรรคบิองแปดจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างพอดีพอดีนะดังนั้นในช่งชวงเช้าเนี้ ก็ให้อารมณ์กันแค่นี้เพื่อที่จะปรับทุกอย่างบางทีถ้าหากว่าความคิดเห็นถูกต้องเราไม่ต้องเพียนอะไรมากมันก็ไปถูกมแต่ถ้าความคิดเห็นไม่ถูกต้องเราเพี่ยนไปกี่ร้อยวันพันปีก็ยังผิดอยู่นั่นดีความเพียนก็ไร้ผลนะจะคอยนุมั่นนาสาธุในความตั้งใจ